วันนี้เป็ น, นวันธรรมะตวันอัสด <c oughs> ีเต็มมีเป็นหลายประเทศมารวมกันมีจงกออสเตรียฮอลแลนไทยสามสูประเทศการมาของทุกท่านหนึ่งเหมือนในการประเิศปฏิบัติในส่วนอาชมวัด เที่ยวพัฒนาจรคือมุ่งมาปฏิบัติกายาจจิตของตัวอยู่็นความต่างใจที่มาจากประเทศต่างๆตลอดแนตวเาเองยืนอยู่ในประเทศไทยก็มุ่งมั่จะมาชำระกายใจของตัวเ็่อยู่ในครอบครัวโอาสเรือนนั้นโอกางเวลาที่จะท นิลภาวนานรายใจนั้นมันดึงยากเพราะการงานมันม า, ากดังนั้นวันเก่นี้ถื้ว่บเป็นวันธรรมศรวันบบระดับรักรั้ฟธรรมการั้งธรรมแบบเราต่างจิตต่างใจระดับรักตั้งจจบบังก็กงเป็นบอกเกิดของปัญญาหรือว่าบบสื่อสั่งและเกษตปัญญา ถ้าฟดีดีอย่ามีปัญญาสามาถจะรักษากายวจารณ์จิตของตัวแต่สะอาดให้โป่งใสห้สงบุขได้อยู่กลางสังฆมณดยดีอย่ามีปัจจุอมีปัญญารักษากายวิจารณ์จิตของตัวปิดขวดปิดเสือต่างๆตกให้ไป ทานจึงเก็าในอนิสง์ของการฟังธมมีอยู่ถ้งห้าประกาคือประาแรกเราจะได้ยินได้ฟังจึงที่เรเคยได้ยินได้ฟังก่อีรคอนจงได้ีรเเลเคยได้ยินโดฟังมาก่อนแล้วแต่จดจำไม่ได้ลืมหลไปเมื่อดฟังอีเราจะรู้จักจาได้ทําไแนะนต่างสองท่าน ก่อตัวตามการทงอย่างมีจิตใจส่องใสเพราะกาตาทำในเร่องการต่างรำต่าเทต่าต่างการต่าตางเรื่องของจิตทำชำร้านุเรศปัญหาชำร้านิจิตมนะทางจิทใจของตัวจะจไปได้จิตใจจึงมีโอกาสที่จะสงบ่องใสเป็น อันนี้ส่งต่อการสังธมที่ถูกต้องกว่าที่สีต่อไปถู้ฟังธรรมยอมทำความเห็นของตัวเหตุโต้เตียตต่อนักต่อผลต่อสวรรค์าึเนอะไรล่ะจำได้ไหล้วตากดี มันมีหกาข้อจะได้ส um> ี่ข้อแถวนั้นวามจำรืนสัญญาอนุจาตเนี่ยอนุสวงการทางธรรมทางเราไม่อระดับนักตัางเราก็หนูวลาอะไรดีชั่วผิดถูกเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโทษเป็นใครโดยส่วนใหญ่ปัญญาของพวกเราถูกไปในตัวเกิดขึ้น จะต้องอาศัยทางสวัสดิรักษาจึงจะรู้จักว่าอันนั้นเป็นทางเสียทางเสียอันนี้เป็นทางดีคปรต้องปฏิบัติเมื่อเราไม่รู้จักเราไม่สนใจในสิ่งทิดชี่ยวผิดเสียเรากจะมัวเมาสาส์นทำผูกจิตในสิ่งที่จิตผเป็นเทษเป็นทุกข์ทุกข์เราจะรุมเผาใส่กายใจของเราเดือดร้อน แต่นั้นการทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นเหยื่อจำเป็นที่เราจะจำทำหาคนเบื่อทำไม่อยากตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่อยากคิดทไม่อยากอ่านทำนนั้นเหมือนกันกับคนไข้หนักๆรกษาหมอไหน่ไหนมียาจะรักาเบื่อไม่อยากไปหาหมอ คนไข่แบบนั้นจะไม่มีรังเวลาที่จะปลุกจะสมาจะหาจากโรกไข้ได้จนที่สุดจะมีแต่หามพวกป่าช้าที่เผาฝังกันแถวนั้นจะเอาท่านตอกทำนองเดียวกันถ้าดยกทนไม่อยากคิดอยากคิดในเรื่องของอัดของทำไม่อยากกระดับยังเรื่องของทำเอาแต่เรื่องของโลกของคิดเหตุปัญหา เอาใจอยู่ตลอดดันเวลาคนนั้นหาค ว, ว, วมามสงบสุกเ ม, ม่ได้จิตใจใส่หมออุนมื่อไมมีโอกาสเวลาที่จะสะอาดสงบแต่นั้นการตั้งทำยังเป็นเดิมจำรักแต่เราต้องเป็ น, นข้าใจชัดเจนในความอดความทำที่ตัางสอนไปจะนำไปใส่ติด วิธิีกื่นเ้นนะศึกษาต่างหน้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจนั้นทุกท่านที่มินไปปฏิบัติศึกหัดดับใจรายาจใจท้องตัวใ้เทาสูทางที่เป็นอัตเป็นธรรมคนนั้นจะมีความสุกความสบายหรือมีการสนิทติดถวตัวข้องตัว เราเชื่อว่าเสียในการ ท, าทําการพูดการคิดมี่คื อ, อริยสงฆ์สี่เหวนสึ่งจากตัวของตัวเองแล้วได้แต่ทำมำเพลินสิน่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษเราล้างเราถอนเราชื่อว่าเราประพฤติ ด, ดีอย่างปฏิปันโนปฏิบัติดีทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดี ไม่มีอะไรสิจะตั้มหนุนทางเม่มีอะไรส่จะเชื่อจะเสียมาทับผลร่างกายรายใจใจเท่งตัวเมื่อไม่มีความเชื่อความเสียเสมือนกันกับร่างกายที่ในนิโรภัยมาเดียดเดียนเราจะไปมาทำการทำงานอะไรมันก็จะดวดสบายเราจะหลับจะนอนจะยืนจะเดินจะกินจะดื่มมันสะดวกทั้งนั้นเพราะร่างกายของเรา มีโรคภัยเบียดเดียนมีจิตใจของเราส่อทำในเดียวกันทางานมีความเฉความเสียมาเียดเบียนแล้วจิตใจดัดูมีความสุจะ่งูนั่งดูมีความสุจะไปสถานที่ใดส็มีความยินงยหญแจ่มใสพอจิตใจมีอัดมีทำถึงจะมีอัดมีทำหนาก็อาศัย คนเแล่านั้นาการสนใจทมต่างทมอ่านทำคิดจรมาทำคนที่สนใจทำอ่านทำคิดทำอยู่เรื่อยเรื่องเกิดปัญหาความเสี่อง้าเสียหายต่างๆก็มีโอกาสเวลาที่จะพอมาทัผมจิตใจของตัวจิตใจจะเบาจิตใจจะสงบจิตใจจะสงบ เพราะการคิด ท, ดดท่พิจารณาทำประพฤติทำอาเลสงมันเป็นอย่างนั้นติดตรงติดตรงต่อมาตอบผลต่อสวังดิภาพคนจิตใจคิดติดตามเรื่องต้องทำประพฤติปฏิบัติในเรื่องต้องทำคนนั้นจะไม่มีวันเดินมาที่จะไป ต, ตกใงล็อกบกไม่เพราะ คทำรักษาคุ้มครองสู่ประเภศปฏิบัติไม่ตกไปในตีเชั่อตีไมนเชั่อตีไม่เสียทำคุ้มครองรักษาเอาไว้ทำจะคุ้มครองรักษาเราได้แต่ตอเมื่อเราประเภทปฏิบัติตามธรรมในใจว่างดูดูแล้วก็จะในทำมาคุ้มครองรักษาในเราเกิดความเจ็บเสียหายอะไรเนไปไม่ได้เหมือนกันกับอาหารถึงจะมีในถืยในการ แต่เราไม่นารับทานควาอื่มนันก็ไม่เกิดขึ้นยาเหมือนกันถ้ามันดูในตู้เราไม่นามารับทานเมื่อเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นโรคภัยนั้นลมมนหายไปนี่ธรรมมะธําสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในตำรับตำรามีอยู่กับครูกับอ า, าจารย์แต่เราไม่นามาปฏิบัติรักษา ใจวายใจใจค่องตัวส่เชื่อเสียอตกออกไปใจนั้นก็เดือดร้อนใจนั้นก็เป็นทุกข์ถราเรานมาราที่นี่คือเจรนาจะทำทางตายเด็ความบริสุทธิ์สุดทางวายใจเดกตัดเด็กจีนไม่เด็กสุดโกหกกลมคิดทางิตทางใจคิดไปเสือละเสือถอนเสือปล่อยเสือวางต้างละละสเดด อยู่บ่อยๆคนนั้นก็จะมีความสุขความสงบเรื่งความพุกข์อดต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นเหนือโวกโอดทุกข์ไม่มีในจิตในใจจิตใจสุขจิตใจส บ, บายจิตใจเป็นอัดเป็นทำน่ารบความคุกขยากลาบากมันจะเกิดขึ้นมาแผลเขาจิตใจของเราได้อย่างไร นรกก็คือเรื่องขอ ง, ออองอกิเลสเรื่องคามเชื่อความเสียต่างๆตัวเองทําไปตำหนิตัวเองคนอื่นก็ทําชื่อวเรายังจำหนิเหนือตัวต้องตัวเองไปทาทางในมีสติในมีปัญญาในรรมีทํานะมันจะไดาทราบว่าสิ่นั้นมันเชื่อมันเสีย อ, อย่างไรทําไปแล้วมันจะเปิดทุกข์เกิดโทษแต่ตัวของตัว จ, จากนั้นธรรมะ ดูเหม่คุมครรักษาผู้ติปตัวพืเสื่ยง้าเสียหายแผ่นซีงอสอนให้มีอสติมีอจรรารักษากายวาจาใจท้องตัวงม่สนะัมมากตังเฉยเฉยโย <c oughs> พือก่อนจะทำก็ดีจะูดกก็ดีแต่ทีนี้พิจนะัยนาคิดอ่านใจ่ตองเพื่อก่อก่าในีพิจัยนะทำลงไป อยู่ความสอบใจในซาบาสิ่งนั้นจะผิดถึงเชื่อดีอย่างไรมันแก้ไขไม่ได้เหมือนใจ ก, กับเราที่เจอมาเห็นว่าสิ่งนั้นเราอยากแล้วก็ยืมลงใ ส, ส่กินเข้าไปเลยท้องเในใส่ของเราถ้าเป็นอยากพิษแล้วก็นในทางคือจะทายออกมาได้ผลที่สุดคนกินยาพิษจะต้องถึงถึงความตาย หนีความผิดทางใจทางวาจาทางใจที่เหนื่อคิดติดตามเดี๋ยวจะติปัญญาขอทนึงเดียวกันอย่าเดือดว่าสิ่งนั้นมันเหมาะมันสมมันดีดมันดีถ่ายเดียวแต่ที่นี้พิ่เจ้าน่ะหาสารเป่ยสารกินจางเสี้กก่อนเมื่อมันถูกต้องโดยมีโทษดีภัยก็ทําไปได้พูดไปได้แม่สิ่งเหือ น, นั้นเหมือนกันกับคนทานอาหาร สิงนั้นมันเหนยวเหนีนยวเสียมีชีวิตมียัยวิถราใจนันน่นก็เกิดประโยชน์ร่างกายของเราก็มีความสุกความสบายมีกำลังวังชาที่จะต่อการ ง, งานต่างๆได้เรื่องของใจต่ออาศัยอาหารเป็นเจือหล่อเลี้ยงพราึจะมีกำลังทำการทำงานได้ เดือใจแต่ทำานงเดียวกันต้องมีอาหารคือมีอดัดมีทำฝึกคือมี่ิจรารณาทาคือศึกษาทาคนนั้นแหละมีอาหารท้องใจแทนที่จะโรดจะโลกจะหลงในสิ่งต่างๆนานาด้วยธรรมะคือมีอยู่ในใจทั่งใ ค, คิดสอนใจท้องเัว้อ่าโลด โสดหลงนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วขู่เสียคนอืน่นเขาเป็นเราเห็นยังไม่พอใจแต่ไหนตัวของเราจะไปโสดไปหลงอย่างนั้นมันสองใจหักหามใจไม่ได้ทหารเร า, นนาหนี้ปฏิปัญญาหนี้ธรรมะมันฝังใจทั้งคืนไม่ได้มันอยากคิดอยากทำอยากพูดอะไรมันก็พูดไปคิดไปทําไป ตามความผักดันของกิเลสดังนั้นกิเลสจึงเป็นสิ่งที่เต่าหมองทําจิตทำใจให้เดือดร้อนทําให้ผู้คนประชาชนทั่วไปไม่ยอมไส่สัทธรรมเรามาเข้าวัดเข้าวาแวงหาธรรมะเพจะดูภายในของตัวใจของเรามันเชื่อมันเสียอย่างไรหรือมันเป็นอาจเป็นธรรมอย่างไรจพืรักษาเอาไว้ ไม่ควรจะสลาไปมันจะต้องคชาสติปัญญาที่ไม่จริะเพราะขี้ออกกดีแน่ดูอยู่ที่ะะ อ, อื่นดูก็ดูในดอยที่อื่น น, ออนีน่อยในตัวของเราทางนั้นนรับสรนิพพานไม่อยู่ที่ไหนํรรมทานที่เป็นมมธรรมชาติฐานขันจึง่าวเอาไว้ว่านั้นสรวันอยู่ในอกนรกอยู่ในใจ น, นิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเหมือนั มาดูที่อื่นคนที่มีความทุกข์เดือดร้อนเพราะยุ่งเหยิงปัญหาเพราะการทําการพูกของตัวเืียเสี ย, ยต่างๆนานาอดีตผ่านมามีแต่ทางเสืดทางเสียปัจจุบันก็มีมีอยู่แล้วทางที่จะสงบรับได้มีแต่ความวุ่นวาเดือดร้อน เพราะวามคิดความปรงขอิตไปใยทางผิดทชั่วคนแบบนั้นแหะอยู่ในปัจจุบันถึงยังไม่ตายต่ตกนรกด้วจิตใจของเขาเดือดร้อนใจของเขาเสาร์หมองหาความสุขความสบายไม่ได้ถึงที่อยู่ที่อาศัยใหญ่โตขอของเงินทองจะมากมายต้องแต่เพาว่าใจของเขาเดือดร้อนใจของเขาเสาหมอง ถ้าเรมีความฝุ่นเยามีความสงบให้อยอย่าเนรคุมันเข่าใจเมื่อมันเขอยู่ในเปลโพงเปลอย่างนั้นถ้าทังยังเหื่ตายเมื่อตายไปมันจะไปที่ไหนไฟอย่แล้วมันจะตามไมเลยแน่จะไปที่อื่นเพราะมันเดียดร้อนมันยวนวายมันยุ่หยงมันทุกข์รามีฝุ่นไม่มีสงบ นี่คือนรกในปัจจุบันที่พวกเราท่านเห็นแล้วนรกคือมันเกิดมันเกิดขึ้นอย pair, uk, ่างนั้นไม่ไม้เกิดมาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากกายของเราทำวิชาของเราพูดจิตของเราคิดหากเราทําดีพูดดีคิดดีความทุกขอย่างนี日日้จะไม่เ <ini> กิดขึ้นมันจะทุกข์มาจากที่ไหน การทาลงไปเดือดจิตใจบร้สุทธิ์ทำไปเดือดอัดเดือดทำถูกต้องดีงามมีแต่ความปุ้นปีติ๋วเราเดืทําดีอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจจะมีวันเดือดร้อนพูดโต้เล่นกันเราพูดเดือดอัดเดือดทำพูดไปเดือดความตัดความคืบเราดือพูดโกหกพเกอหกลื่วงเหยียยุ่ คนอื่นเปลียนสีคนอื่นอะไรเพื่อเดลความเบลตาองสารพูดเบลความตัดความคิเราต้องมีตัวข่องตัวหนได้คนอื่นถ้าเขาพูดกับเราอย่างนั้นเราก็อดที่จะสรรเสริญเขาในได้เราจะมีความใส่หมองจิตใจที่ไหนพอเราพูดออกไป ทุกถ่ายทุกทำเรามีสติมีธรรมะใจมันกรอบสะอาดในเต็นมนี้ตัวคองตัวว่าเชือ่อว่าเสียมันเป็นในเกิดโทษเกิทุกข์กกกให้แต่นั้นการรักษาใดราชาใจในใจคนใดคนหนึ่งจะมารักษาให้ตัวของเราเท น, นั้นจะรักษาตัวใงเราเองสาเห็นว่าสวรรค์มันอยู่ในอก นรกมันอยู่ในใจจริงจันั่นคจะต้องดูในตัวของตัวตัวอกใจในใจอยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวขางเราเท่นั้นิเชี่ยวผิสียผิเป็นวรกทันผิดทันใจในเดียดร้อนมีคนถ่วไปเพราะตัณฑ์เองาตัวของตัวเองตัณฑ์ตัวเองแบเชี่อวแบเสียเราหลีบสนั้าานความ เือดเสียหนึ่นั้นไปหมดไปจากตายจากวาจาจากใจท่องเตลเดือดจิตเดือดปัญญาชำระออกไปเพราะถ่าศืนทำอยู่ผูกอยู่คิดอยู่อย่างนี้เราจะมีทางที่จะพ้นจากนรกเพือจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนความเศร้าหมองวามจิตทางใจท่องเตลพนเที่ยวไป เพราะการนึ่งทางเพราะการทำของเราการถูกของเราการคิดของเราจนอับตะโบคนไม่เป็นทางยินทางฝูเส้นไม่เป็นทางฝึกทางสบายเราจะต้องอนตัวอย่างนั้นตำละตัวอย่างนั้นเราไม่ไปทำไม่ไปพูดไปคิดในสิ่งที่ผิดที่ชั่วเนื่อเรารักษาตัวนม่เอ ทำเทื่อคิดเชื่ออย่างนั้นในเด็กจำมีเชื่อจำนะความเชื่อออกไปจะเหมือนกันกับเรากันเรากรองน้ำจิตขุ่นที่ตกตะกบเรากรองลหลายชั้นหรือ ก, กันออกไปน้ำที่ตกระกนั้นมันจะตกออกไปอีกตอนหนึ่งส่วที่มันสะอาดนั้น มันจะเป็นไปอีกตอนหนึ่ง น, น้ำสันเราเคยเห็นผีสั่นมันนะมันเป็นอย่างไรมันมีอะไรที่ตกตะกบโ ม, ม, ม, ม้งงอมไหมในเหวินมันมันจะเยอะจากหายจะมีความตกตะกตกอยู่ในน้ำคือกันออกไปเด็กเอากันเอาไอของมันคือมันจะอาด กองจะเดมนกันกองหลายชั้นของปกระปุ ก, กนั้นมันจะหายอยู่ในผากองของเราส่งนสะอาดนั้นมันจะหยกเยอะลงไปใสหน้าดินหน้าอาบ อ, อยู่กันชีวิตพิจาราธรรมกับทำนองเดียวกันเราต้องกันต้องกองตายใจท่องเรากินได้กินมันเชือมันเสียเรา ทิ้งมันไปอย่าเอาบันไว้เอาบันได้มัเป็นที่เป็นไครเขาใจสองตัวใส่เสื้อให้เสียต่อไปใส่หน้าให้เหมือนต่อไปใส่ต้าให้หมอนต่อไปใส่เดือดร้อนวุ่นวายต่อไปเราจะต้องสอนใจของตัวเดี๋ยสติเดี๋ยวปัญญาหนุ่มเจ้าคนปฏิบัติธรรมะคนปฏิบัติธรรมะเนี่ยนูมีทางตันหนิตัวต้องตัว ในการทำการพูดการคิดผิดจากหลักของอาจต้องทำอย่างนั้นจิตใจต่อยินมเยี่ยมแจ่มใสจิตใจก็อฝุกก่อสบายแผ่นสิว่าสวรรค์อยู่ในอกในดวงที่อื่นอยู่ในใจในใจเของเราเนี่ยสวรรค์กอดอยู่เนี่ยมีความดีมีความฝุกความสบายมีความสงบความเยี่ย โดยาการกระทําบําเพ็ญสิ่งที่เป็นสารประโยชน์ทั้งคนและคนอื่นสัตว์อื่นอย่างนั้นมันสวนรรค์เกิดขึ้นอยู่ในตาในดงเลท่านไม่เหลอที่ไหนใจมันสุขมันสบายมันเป็นสวรรค์อยู่แล้วเมื่อตายไปแตะเมฆแคที่จะไปสวรรค์เพราะใจของท่านมีมีความอายบาปโอต ร, ปประความเบืบา ใมต้าที่จะพูดจะทำจะคิดในสิ่งที่ผิดจากอาจจากทำใจจึงมีความสุขความสงบอยู่ตลอดเวลานะใจามีความขาวสะอาดมีเทวรฐรรมประจําใจมีแได้ชื่อใจเป็นสวรรค์จวต่อไปหาที่อื่นสวรรค์ยิตใจก็เรามันสุขมันสงบ มันสะอาดมันโปร่งใสมันขาวมันไม่ดำใส่สุขใจมีอัฐมีธรรมใจมีสวรรคอยู่ในนั้นนิพพานคืออยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ใจมั้นกันนิพพานคือการดับขจัดปัญหามานัททิที่ตใยมีแสงอยู่ในจิตในใจทั้งตัว พยายามำจำกัดขับไล่พยายามที่ิจารณาสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นไทยตกออกไปโดยส่วนใหญ่โยกเราขัอวอไปเลยตำละมันถือกันว่าเป็นธรรมดาเขาหมืนเราเราเหมืน เ, หมนเข า, เาขจะเลยดีเดียวกันจะโยกสบายไปเพราะเรายอมขับไล่ ในยามเมตสิตตัวส่วนพริญาณนั้นเพืที่จะไปได้ต้องอาศัยการขับไล่การชำะจิตใจของตัวทาความหาบของผิวนังแผ่เหง้ะเดือยจีวรรักษาตายร่างกายให้ปกติเพืรักษาต่อผู้จโดยเฉพะคนอื่นมารักษา ทำจิตใจหนักเน่เรียกว่าสมาธิเคยมีเหตุนีผลในตนท่องตนคนเขาสังเวยเสริถ้าเราไม่ดีแต่อย่าไปเถียเราดีเรารู้สึกเขาทำหมี้เนทาถ้าเราดีแต่อย่าไปโกรเขาใส่ที่เจรนาทำสังเวยเสริญนงินทาข้งเขา แต่เราเชื i, Freiheit, ate, ่อเขาเล่นคาเราจะต้องแฉะไข่แต่เราดีเขาเล่นคาเขาเข้าใจผิดเราเขาเข้าใจเราผิดแต่จิดอย่างนั้นจิดมันจะตั้งมั่นจิดมันจะไม่วั่นไหวมีเหตุมีผลในจิตในใจมีปัญญาทำลายแฉะไข่ทโลบทําโปรวามหลวงของตัวออกไปตลอดถึงราคาตั้หาความอยากต่างๆนานา หากคนมีธรรมะคนจะไปนิพพานต้องคิดอ่านแยกไขจับฟูจิตใจคล่องตัวเห้รู้เท่าเข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่มันจป็นพิษจป็นภทยทำจิดทำใจให้เดือดร้อนใส่สมองต่างๆโดยส่วนมากนักประพฤติปฏิบัติุู้ยู่หวังนิพพานท่านจะต้องคิดอ่านท่านจะต้องซอนตัว อยู่ตลอดเวลาจิตใจติดเบรค่องคิดคิดแวะในกิเลสปัญหาราคะโทสะต่างๆท่านจะต้องคิดอ่านมันทํำไมจึงจะยื่นเกี่ยวอย่างนั้นจิ่งเหล่านั้นมันใส่ผูกใส่โทษอย่างไรเป็นสิ่งเหล่านั้นมาเหยียดยืดเราด้วยจิตใจของเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นท่านจะต้องคิดต้องลึก ฝึกตัวค่องตัวอยู่ตลอดเวลามีจิรักษาจิตมีปัญญาสอนใจหรือปล่อยใจตามลาทังฝึกิดลึกฝึกตัวอยู่อย่างนั้นเข้าใจเป็่หการเสือจนทุกข์ทุกข์ที่าั้มรู้ท่านรู้ท่านเข้าใจการเสือดนี้เป็นภาล่ใหญ่เป็นทุกข์ อย่างมหาหาลแต่เป็นคุณอย่างอันนันอีกมน่นกันถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่มีโอกาสาเวลาที่จะมา ป, ปฏิบัติใส้ทางารักษาศีลนเจริญภาวนาได้แต่เราเกิดมาแล้วมันเกิดทุกอย่างไรโโรคภายๆเจ็บยีปาหะมันมาจากความเกิดทางนั้นความเสียความเจ็บความตายมันมาจากที่ไหนขาดเนื้อยเกิดแถวนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะตกไป อยากได้มีบุตรมีหลานมีเสามีขวางมีผิ่มีเนาะปร็เรียของ้วาเกลียดเท่านั้นคเกลียดจริงๆทุกสาคัญที่เราท่านยึดเอาไว้ถือเอไว้ในใจใจตามเป็นจีงทั้งมันท่านจีให้กาหนดใหรู้ให้เข้าใจว่าความเกิียดเป็นทุกเป็นไัย ใช่ยัเกิ ด, ด ย, กยันเม่อไรควสมแชร์เกลียดคตายนั้นไม่ต้องเรียบหาร้องหานันก็ยีมาอยู่ตลอดเวลาหากเราบาดความเกิดเอาไว้ไม่เหุจิใจก่อพวกชาอีกโดยามธรรมะที่น์นะตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่พอปลุกให้เกิดที่จะก่อให้เกิดทุกข์นั้น เราจะพยายามนะพยายามถอนแต่เมื่อใครบอกคื้ามอยากของใจอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันไม่อยากกับเราแต่เราไปอยากกับมันหรือเกิดราคาตันหาความตำหนัดมีอย่างนั้นอย่างนี้เดือดในมือจิตในมือปัญญาในสอนจิตใจในใจเราสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรกันนี้เดือดพวกตายชืนจัง มันไม่มีความอยากอะไรจิตโบคนตายเอาไปเผาไฟมันก็หมดตัวไ่สังหิน์โยมโยงน้ำมันก็หมดตัวท่านั้นมันไม่มีอะไรที่เกลียดย้อนจิตใจท่านั้นคี่มันป่วนปันมันเดือยดย้อมันเยื่นวายมันอยากอย่างนั้นมันอยากอย่างนี้แล้วมันได้ดีได้ดีเพราะความอยากเพราะความเหงาเหล่านั้นแล้วมันได้โทษได้ทุกอย่างอะไร เร้จะต้องแก้ไขคือการฝึกการปฏิบัติพิจิีรเจรณาคิตอ่านเื่อตัดความอยากความโลภกรารขาดตัญหาออกจากใจของตัวมันมีทางที่จะประพฤติปฏิบัติได้หลายสิ่หลายอย่างคนที่หลงไหลใส่ฝันอยากได้อย่างนั้นอยากไดา้อย่างนี้กอบกลัในวันเที่ยงพอบ่ลีบู แ้่จรวิเดียนิสเยจนกระทั่งวันอเอยลงนี่จ ะ, สะแสวะห์หยื่นเว้นเล่ยัยยยงสมบัติพฐะสถานภ า, ายนอกไม่เคยคิดอ่านว่าเรานี้เกิดมาเพราะอะไรล้าเราจะอยู่ข่องฟ้าไหมหรื้เราจะตายไปคงตายไปได้อะไรติดตัวไปบ้มันไม่ไม้คิดไ ม, ม่สอนตัวเองมันเป็นโลกยิ่ ง, งยากมาก ไม่มีทางที่จะทำละจิตใจของตัวสาคนแม่สอนเตลทําทำนั้นจะมีทางทำละล้จิตใจเมื่อมันล้างออกไปใจมันสะอาดใจมันสงบใจมันเปงสุขจะเห็นอนี้สในการทำละล้างจิตใจของตัวจึิงๆมัใชคิดข้างตัวันแล้วเดาทำละมันออกไปใจมันสบายใจมันสง เราก็ถ้าในการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่โดยการสมาธิสายสังและกรหาความอยากของใจเดกอานาจของปัญญาแหกเถาชี้พิจารณาหาความจริงของมันเหนื่อใจมันผมันใส่ใจแัดเกนมันจะยอมํานอนว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นกินกนอย่จังอย่าไม่จะละได้ถอนได้วางได้ปล่อยได้ ใจมันต่อสุขมันต่อสบายนี่แยกทางไปพนิทานนั่นมันอยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจของเราแต่เราสมาาสานอยู่เรื่อยทีนี้ที่ใจนาธรรมะอยู่เรื่อยกาจัดอยู่เรื่อยอะไรสงสันมาใขคิดแกล้ใสใจมันรู้มันเห็นตามเป็นจริงแล้วมันกะต่างด ต้องพ้นต้องดับความคิดความปริ้วคามดิ้นความเกลียดต่อความอยากอย่านั้นมันตกไปหมดไปทุกในจิตในใจที่เปิดขึ้นไม่มีโกรกะความโกกแต่อีเทอร์นะความแห่งใจโทมานะความน้อยใจหรืออะไรต่างๆมันไม่เกิดขึ้น เพราะเหตุใดเพรใจมันเป็นสุขใจมันรู้มันถึงอาจถึงธรรมสุภพุทธเจ้าหเห็นมนันประจักชัดเจนอยู่ในตัวใจมันจะแตกสลายตายไปเมืนน่อไรใจนในสิผ่องใสใจสิบริสุทธนั้นมันตายไปไหมท่านต่อทราบวินเวดหน้าไหนที่จะเกิดขึ้นว่าควรใจไม่มีทันติระนิพพาน ถ้านท่าน ส, สิอยูในโลกแต่จิตใจเป็นนิพพานเพาใจดับขี้เลียปัญหามานะทิสิอวิชชาวปาทานออกจากจิดจากใจของตัวไดงเนี่ยนิพพานสมอโดยที่อื่นฉะนั้นพวกเราผู้เกิดมายึงควรตัางหนา้าตัางตาแสวงหาคุณธรรมคือคุณงานความดีเอาไว้ เมื่อเสตายไปจะให้คนอื่นโทษทาบุญเพื่อนทานหรอเราต่างหนาต่างตาตอบกลัวแล้วเสียเมื่อตายไปใครจะทำให้หรือไม่ทำให้อย่าไปคิดอย่าไปจีจะเอาบุญมากูศจากคนอื่นเขาเราทาโอ้ยเพียงพอบริบูรณ์แล้วเราสะดวกเราสบายแ่ยังยิ้มหน้าตายเสียจะบุญกุผล คือเราสะสมเอาไว้นั่นแหละจะเป็นเ่วนสองข้องเราแต่เถื่สถานที่ใดแต่ไม่มีความทุกข์ใจอดอยากปากหนองเพราะบุญตุถุชนส่วนเสียให้ไปสิ้นไหมไมมีการผิดหวังถ่านจงเห็นสะสมเอาไว้บาปกรรมเถื่อเถื่อไปให้ละเหยเพราะบาปนั้นให้ผลจนทุกข์ไม่มีคน อื่นจะมารับสมบัติคือตัวทํายบายเดือดใจรายใจใจทําดีต่อตัวของเราจะได้รับทําำชั่วต่อตัวของเราจยรับในใจคนอื่นก็จะรับให้เนื้อทราบอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจีเป็นคของง่ายเพราะปฏิบัติในกายในใจของเราจีเกณฑ์ชั่วแลเราต้องการอย่าไปทำเพราะทำแล้ว ตามท <Okay. S 1> ี่เราทำไปจะให้ผนเดียวคนอื่นก mm like ็จะมารับแทนความดีถึงจะลำบากยากเย็นใจไม่อยากจะทำก็บังคับบังชาให้มันทำเมื่อทำแล้วอนี้สูงเพราะความดีนั้นมันจะเกิดขึ้นมีความสุขความสบายเสายใจจสยใจทั้งตัว ครังง้งๆหนสิ่ น, นั้นเราไม่ชอบทมแต่ทาแล้วมันเกิดผลเกิดประโยชน์เราก็ควรทาสิ่งที่เราชอบทาแต่มันเกิดโทษเกิดทุกข์เราก็ควเรเว้นมีการสอนใจของตนการพิจารณาทำเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นสิ่ผลกรรมที่เราทำเดยตนท่องตนห ร, รือมิรใจาจะมารับให้ แต่เราซ้อใจของเราอยู่อย่างนั้นการทําชั่วปลูกชั่วคิดชั่วต่างๆเราก็จะหักห้าตัวคงตัวได้การทําดีเดือดตาเดือดวาระเดยอดใจสรุปขนสายแต่ทตําบำเท็ญเมื่อเราตั้งหน้าตาั้งตาสนาเชื่อบำเทนดียอย่างนี้พระอนิพรรย์มันอยู่ที่ไหนเราใจเห็นขึ้นจากใจของเรา จะใจคนอื่นจะยกมาให้ใจหมดที่เหลสตัญหาหมดอวิชาอุปาทานนั่นก็เป็นไม่าทานเองไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่นั้นเพื่อเราท่านคือจะได้ใจเห็นจะเป็นอย่างนั้นจะไม่เคยตายไปเพื่อใเห็นเราเป็นเพอนอยู่นี้แหละจะทํามันเพลินใจทำีส่วนใด อย่าได้อยตาละเลยอย่าทําชีวิตให้เป็นหมันอุสาหทํากันวันนั้นนี้วันนี้หน่อยไม่หยุดในถอยมันก็มากใครเองบุญกุศลมืนกันกับพวกมันก่อจอมพวกหรือผึ่งมันทำเรื่องทำอย่าง้องมันมันมาเอามาหน้ามาหลายเหลืองอะไรจากนั้นทําไม่หยุดในถอยมันก็ใหญ่โตขึ้นใด ถึงพาอาศัยสุดตายสุดใจของมันมีเพว่อราท่นานแสวงหาบุญทา น, น, ด น, น, ด น, านด็ดีชนวิตดีภาวนาสดีดีแต่ทำมันเป็นตอบป่วยเอาวันนั้นนิดวันนี้หน่อยไม่ดีไม่ถอยมันก็มากขึ้นม่นมันหน้าขึ้นมันก็สุขก็บสบายสุดใจถ้าไม่เด็ดตั้งมือไหว้เตี้ยวขี้อเ ต, ตัวเสียชีวิตจะเป็นโรคฮะ หนึ่งคือการสอนจิตสำนึกใจท้องตนไม่เป็นคนประมาทรีจะทำบาเพ็นคุณงามความดีทุกวันความดีเหมือนนั้นก็จะเป็นสมบัติท้องตนแะ่นั้นขอทุกคนูือมุ่งมันมาต่อทีปฏิบัติพุทธศาสนาเพื่อศาสนาต้องรู้ดีกวต้งรู้ชื่อก็ต้องรู้ผิดก็ต้งรู้ถูก็ต้งรู้ โดยศาสนาเขาสอนหลวงทำสอนเขาฝู่เรารู้เราเข้าใจเพิธอนิชยนาศึกษาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจของเราเราต้องเจอต้องรู้ต้องเข้าใจว่าสวรนรกสวรรค์วิพานอยู่ที่ไหนมันจะไปจากแค่เดียงในใจของเราเราจะมีอะไรสงสัยจะไม่มีอะไรสงสัย ถึงกิดหมายปลายทางคือการยึดทานได้ความสงบสุความสะดวกสบายนั้นในตอบไปถามถึงมันพร้อมจนดีอยู่แล้วในจิตในใจของผู้ปฏิบัติแต่นั้นขอทุกท่านจะนําไปที่วิจัยนารักษากายรายจายใจของตัวอย่างให้มันเชื่อมันเสืยอริงจริงมันเชื่อมันเสียกำจัดขับไล่จริงจริงมันดีมันดีเสร รักษาขอบุยเอาไปเมื่อทุกท่านเมื่อประมาทมีโอกาสทำคุณงามความดีอยู่ทุกีวทุกวันแล้วคุณงานความดีนั้นก็จะเป็นผลสองสองตัวไปสถานที่ใดก็จะมีมิเชื่อมีแต่ควทำสงบสุขตลอดการตลอดเวลาการอธิบายธรรมะที่เราพอต้องการเฉยเวลาพอยุติเฉยเฉยนี้เอง